นะครับก็เข้าสู่ช่วงบ่ายสวัสดีโอเีทุกท่านนะครับตั้งแต่เช้าถึงช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มเข้าไปดูในเรื่องของอริยสัจนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าอริยสัจก็คือมีการเกิดกับการดับนั่นเองทุกกับสมุทัยก็คือสายที่เป็นการเกิดทุกข์ส่วนนิโรธกับมรร ก็เป็นสายของการดับทุกข์นะครับก็จะแบ่งให้เห็นชัดเจนทุกข์มีเหตุให้เกิดซึ่งผมก็เปิดให้ฟังแล้วพุทเจ้า ก, กระตรัสว่าเหตุเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาแล้วก็อวิชชานั่นเองทีนี้การเกิดของพวกเราทั้งหมดก็มาจากตัณหานี่เองนะครับก็พอจะเห็นภาพ พอเราเชื่อมโยงกับธรรมจักซึ่งท่านตรัสเอาไว้ตรัสบอกกับภิกษุปัญจวัคคีตั้งแต่วันเริ่มต้นแล้วก็เห็นภาพของอริยสัจสี่แล้วก็กิจที่ต้องทำทีนี้พออริยสัจ ท, ที่ท่านตรัสรู้เนี่ยในตอนที่บอกว่าสี่สิบเก้าวันช่วงที่ท่านอยู่ที่พุทธคยานะช่วงที่ท่านอยู่ที่พุทธคยาที่บอกว่าเสมอสวยวิมุติสุข เสัปดาห์มีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่เรื่องของปฏิจสมุปบาทเนี่ยมันได้ออกมานะครับในช่วงเวลานั้นทีนี้เราจะมาดูความเชื่อมโยงซึ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าปฏิจสมุปบาทเนี่ยก็คือส่วนขยายของอริยสัจสี่นั่นเองหรืออริยสัจสีก็คือส่วนย่อของปฏิจสมุปบาทเราจะมาดูกันในเบื้องต้นก่อนว่า หมายความว่ายังไงปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสีวงใหญ่พอเราเข้าใจว่าทุกสมุทัยคือสายเกิดตอนที่เราสวดปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแสดงว่าทุกสมุทัยถูกขยายขึ้นมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ ส, ส่วน ปฏิจจสมุปาสสายดับก็คือมรรคกับนิโรดนั่นเองนะเข้าใจาคร่าวๆอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาสวดปฏิจจสมุปาทพร้อมกับเสียงพระองค์นี้ด้วยกันนะครับ